พระธรรมเทศนาแผ่นที่96าลำดับที่22โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่26กรกฎาคม2559มีชื่อเรื่องว่าปฏิบัติไม่จริงจังมีแต่พังกับเจงเวลา พวกเราอย่างวันนี้ล่ะหลวงพ่อว่ามีไปชุมนะประมาณใกล้ค่าหรือว่าพบค่าพบค่ากัอย่างพวกเราเห็นประมาณเกือบหกโมงครึ่งเทอมท่อ ม, มหนึ่งเดี๋ยวบอกค่าหรือพบค่าประมาณ6กโมงครงึพวกเรากะกันไว้ว่ากุฏิหลังไหนอยู่ใกล้ๆ ก, กันให้พวกเราไปเรียกบอกให้เป็นบอกกันเออพวกเรากลุ่มนี้นะ เอาสักสิองค์ก็ได้สิบองก์ก็สีสสส่สิบสีก่ก็สีกลุ่มสกลุ่มกว่าหรือสัก8องค์ก็ได้กลุ่มแล้วองค์นับกันไว้เวลามีประชุมแล้วกันนะพวกเราก็ต้องบอกไปหากันในกลุ่มของเราครบหรืยังไปบอกกันหมดหรยังไม่ใช่ว่า ให้องค์เดียวที่ศลาไปวิ่งบอกทั่วไปหมดไม่ได้นะเพราะ ม, มันวัดของเรามันกว้างอย่างที่ผมหลวงพ่ออยู่วัดป่าบันตาดก็เหมือนกันท่านยิ่งบอกก็ท่านก็ชั้นชิดท่านไม่ใช่บอกนานนะบางทีท่านดูสุขภาพร่างกายของท่านเออวันนี้ว่างพอจะอบรมพระ ของท่านได้ประมาณสักนาทีนะจากนี้ไปไ ป, ไปชมไปบางทีมันก็หโมงกว่าอย่างหรืออีกประมาณสักยี่สินาทีท่านเองเอพระต้องเนื้อที่ต้งร้อยไร่กว้างพอสมควรแต่เราจะปอกกันยังไงมันจะทั่วถึงนะเราก็ต้อง องค์นี้ไปบอกองค์ น, ออนั้นไปบอกคนนั้น ค, ค่วันเป็นโรคแตกเลยละ่ะที่อยู่ใกล้กันก็รีบไปบอกกันองค์ที่ได้องค์ที่ได้ทราบก่อนวิ่งลงมาศาลาเดินแบบอ้าวเลยละ่ะมากะจัดที่นั่งปูอาสนะจัดผู้ที่เกี่ยวข้องจัดที่นั่งของหลวงตาของพ่อแม่กุูจารขององค์หลวงตาพอจัดเรียบร้อยแลยคนะ เราตรงแพ่งมองที่จัดที่ของลงตาะเป็นอันดับแรกเพราะว่ามีกระโถนมีแก้วน้ํามีอะไรแต่สําหรับพระทั่วไปก็ไม่มีไม่จัดน้ํามีตะปูอาถนะไว้เท่านั้นเองเพอเจ้ได้ท่านก็ลงมาลงมาเจ้าได้ท่านก็มาคล้องผ้าที่ศาลาท่านวางตลับหมากของท่านแล้วก็คล้องผ้าเจ้าไดท่านก็ไหว้พระกราบพระ ลาภปุถุตเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็กราบเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จองค์สมเด็จชื่นหม่อมราชวงศ์ท่านว่าเป็นพระที่น่ากราบไหวองค์หนึ่งท่านไม่ตื่นในราบในยศพระองค์นี้สมเด็จองค์นี้ท่านเคยอยู่ที่วัดบวรท่านก็กราบ ขมราชวงศ์สมเดจพระสังฆราชเจ้าหน้ากกราบหลวงปู่มั่นแล้วก็กราบท่านจุกุลธรรมเจดีเจ้าหน้นทาทังขอมานั่งประจําที่สรุปแล้วก็คือกราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็กราบเจ้าพระคุณสมเด็จกราบหลวงปู่มั่นแล้วก็กราบพระอุปชาของท่านคือเจ้ากุลธรรมเจดี ดังนท่านก็มานั่งประจํามานั่งที่ของท่านพอนั่งเสร็จแล้วก็ท่านสเทศเลยอบรมเลยอันนี้คือแนวปฏิปทาคล้ององค์หลวงตาที่หลวงพ่ออยู่กับท่านเนี่ยเราเล่าให้ลูกหลานพระลูกผ้าหลานฟังุวิธีการประชุมของพระกรรมฐานท่านปฏิบัติตนอย่างไรท่านทาอย่างไรท่านเทศนานไหม บางทีก็ถึงสามสีทุ่มก็มีพอเทศจบโรงเสร็จแล้วก็ท่านก็ให้ท่านปัญญาพระฝรังเอาปัญญาอธิบายให้หมู่เพื่อนฟังท่านปัญญาก็หันหน้าไปหาพระฝรังห้าหกเจ็ดองค์บางทีก็เจ็ดแปดองค์บางทีก็เท่าๆกับพระไทยนะครึ่งๆกันจากนั้นพระท่านปัญญาก่อน พูดอธิบายเป็นภาษาอังกฤษให้กับพระฝรั่งฟังแต่องค์หลวงตาท่านก็นั่งเคี้ยวหมากบางทีท่านก็พูดค่อยๆเบาๆกับพระไทยแต่ท่านปัญญาท่านก็ พ, พ, พูดพูดพูดที่หลวงตาแสดงอะไรเทศอะไรในวันนี้ให้พระฝรั่งศึกษาได้ฟังบางทีก็ ได้มากบางบางทีก็ได้น้อยท่านปัญญาอธิบายบางทีก็ได้ยาวแต่บางทีก็พูดน้อยเดียวตัวมากบางทีท่านบางทีท่านก็ไม่ได้พักเนยพอลุงตาเทศท่านก็ง่วงบางครั้งนะทั้งซับประงกไปด้วยพอท่านอธิบายก็ไม่รู้จะอธิบายเอาอะไรมาอธิบายเหมือนกันพอท่านจับประเด็นไม่ได้ท่านพูดน้อยเดียวท่านกระจบอ่ะ วันนี้ทำไมท่านปัญญาอธิบายน้อยนักวะ่ะรวบรัดเลยเนี่ยวะท่านก็หัวเลาะแต่ตามไม่จริงก็น่าเสียดายน่าเสียดายที่ท่านปัญญาอธิบายให้พระฝรั่งฟังที่ลุงตาเทศจบลงใหม่ๆมัดหมาดอท่านอธิบายให้ฟังก็น่าจะอัดเทปไว้นะถ้า ถ, ถ้าเป็นทุกวันนี้นะถ้าเครื่องไม้เครื่องมือทุกวันในท่านสมัยขนาดนี้เวลาท่านปัญญา อธิบายให้พระฝรั่งฟังที่องค์หลวงตาแสดงธรรมน่าจะอัดไว้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อชาวต่างชาติต่างประเทศที่เข้ามาอบรมว่าหลวงตาเทศนาว่าการเรื่องอะไรมีประโยชน์มากทีเดียวแล้วมันน่าเสียดายเพราะสมัยนั้นก็นอย่างว่าเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เครื่องอำนวยความสะดวกในการอัด มันไม่ใช่ของหาได้ง่ายอย่างทุกวันนี้แล้วก็พร้อมกันการอัดเทศองหลวงตาเนะี่ยก็ไม่ใช่ว่าอัดได้ง่ายๆบางทีก็สั่งปิดบางทีก็ไม่ให้อัดอัดก็อัดแบบห่างๆไม่ได้อัดแบบที่หลวงพ่อพูดเดี๋ยวนี้นะท่านปัญญานั่งห่างออกไปทั้งสองเมตรท่านปัญญาอัดไว้ข้างๆอัดข้างอาสนะของท่านปัญญา เอาไม้ไว้ที่นั่นเพราะนั้นบางทีเสียงหลวงตาจึงค่อยมากพออัดเสร็จแล้วก็พยายามเร่งเสียงขึ้นปรับเสียงสิน้นแล้วก็เก็บไว้เนี่ยอันนี้ก็คือการอัดเสียงที่วัดป่าบ้านตาดท่านไม่ใช่ว่าจะเอามาจ่ออย่างหลวงพ่อเดี๋ยวนี้ใหม่นะเพราะนั้นเสียงไม้ของหลวงตาจึง บางทีเสียงมีอะไรลบควรมากบางทีบางกาันบางกันก็ชัดบางกันก็ไม่ชัดที่ลวงตาเทศอบปรมเว้นเสียแต่ช่วงหลังๆที่ท่านไปแสดงทมโครงการผ้าป่าช่วยชาติอันนั้นคือท่านไปขึ้นธรรมมาศแล้วเขาก็เอาไมา่มาอย่างที่หลวงพ่อพูดเดี๋ยวนี้ลหละเพราะนั้นทุกตัว ไม่ทุกตัวเทศของท่านก็ชัดขึ้นหมองช่วงหลังๆนะแต่ท่านก็แก่มากแล้วเอียงองหลงตาก็น่าเสียดายสมัยเมื่อองหลงตายังหนุ่มแน่นการแสดงธรรมของท่านชัดเจนเสียงดังฟังชัดถ้าเรานั่งฟังถ้าได้อัดดีๆนะหลวงพ่อคิดว่าโอ้ มีประโยชน์อย่างมากแต่เดี๋ยวนี้เขามีประโยชน์มากอยู่แต่ถ้าได้อัดดีๆนะคงจะมากขึ้นไปกว่านะวันนี้เป็นวันที่ยี่สกกรกฎาคมพุทธศักราช2559หพวกเราเข้าพรรษาวันที่ยี่สิบ แตก็วันพรุงพร่งนี้เป็นวันพระคงจะออกไปฉันข้างนอกสารานอกแล้วก็เข้าพรรษามาเจ็ดวันขอให้พระลูกหลานทุกองค์ที่เขามาบวชในพระพุทธศาสนาให้ตั้งใจ ผู้ที่บวชเป็นข้าราชการหรือว่าบวชชั่วคราวอันนั้นหลวงพ่อก็ไม่ได้เน้นหนักพอเราบวชเป็นประเพณีแต่ถึงยังไงก็ให้ตั้งใจให้ตั้งใจตั้งอกตั้งใจให้อยู่ในกรอบหลักพระธรรมวินยัยถึงจะบวชชั่วคร้างชั่วคราวบวชสมเดือนก็ให้อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยเหมือนกับพระองค์อื่นๆ เพรเหตุไรเพราะว่าถึงจะบวชสามเดือนหรือบวชตลอดไปจับไฟร้อนไหมร้อนเหมือนกันใช่ไหมบวชใหม่ๆผมจับไฟไม่ร้อนหรอกก็ไม่เป็นอย่างนั้นผ้าเก่าๆจับไฟร้อนไหมก็ไม่เป็นอย่างนั้นอีกเหมือนกันเพราะนั้นความชั่วของเราถึงจะบวชชั่วคราวหรือจะบวชท้าวอรก็จับไฟร้อนเหมือนกัน ค น, นกรรมชั่วกับลักษณะอย่างนั้นเหมือนละกันนะั่นที่สิ่งที่มันไม่ดีเราทําลงไปมันก็ไม่ดีพระใหม่พระเก่าทําไม่ดีทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะมันเป็นความชั่วแต่เถองยังไงก็ตามหลวงพ่อเองอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายเมื่อเป็นฆราวาสญาติโยมเราคิดดีซะก่อนเราจะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา อยากจะให้พระลูกพระหลานทั้งหลายตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติเอาจริงเอาจังแล้วเพอเพยังตั้งสัจจะอธิษฐานอีกต่างหากเพราะเราคิดดีแล้วก่อนที่เราจะบวชบอกชีวิตทั้งชีวิตของเราเนี่ยเอาเถอะเราผ่านคารวะมาก็มากมายผ่านมาพอสมควรแล้วตีเล็กชั่วแล้วก็รู้แก่ใจเป็นยังไง ประโยชน์อนาคตที่เรามองไปในอนาคตเราก็รู้แก่ใจอนาคตชีของชีวิตคืออะไรเราก็มองดูแต่เมื่อเราเข้ามาบวชแล้วอย่างนี้นะบางทีมันมีจิตใจถอยนะลูกหลานนะคล้ายๆกับว่าอ่อนล้าอ่อนเหมื่อยล้าหรือว่าอ่อนอชัดถามันถอยพูดง่ายๆว่านั้นจุดนี้แหละเป็นจุดที่หลวงพ่อเคย มันเคยเป็นเคยมีไม่ใช่แต่พวกลูกหลานนะหลวงพ่อเองก็เคยเป็นแต่ถึงยังไงก็ตามแต่ก่อนหน้านี้เราคิดดีแล้วทบทวนดูให้ดีเมื่อเป็นจิตใจที่เป็นสมาธิผ่านสมาธิขอเราเราทบทวนดูแล้วชีวิตของเราในอนาคตหรือว่าชีวิตของเราในปัจจุบันหรือชีวิตของเราในอดีตที่ก่อนที่เราจะบวชแล้วก็มาอยู่ในปัจจุบันและอนาคต เราทบทวนดูแล้วในเมื่อเราเป็นคราวาสเราก็ทบทวนดูชีวิตของปัจจุบันในคราวาสจนว่าเราจะเข้ามาบวชในมาบวชแล้วเราจะวางแผนยังไงการดําเนินระบบการจะบวชของเราสิ่งเหล่านี้พวกเราคงจะได้คิดไว้ก่อนหน้านี้แล้วเพราะนั้นให้รักษาเจตนาเดิมเอาไว้ หลวงพ่อเองอยากจะให้พวกเราทุกๆกท่านคิดดูให้ดีเสร็จแล้วนะแต่ไม่คิดว่าไม่ใช่ว่าพูดออกง่ายๆไม่ใช่นะต้องคิดทบทวนดูให้ดีทบทวนแล้วทบทวนอีกจนมั่นใจในใจเราก็ตั้งจิตทธิษฐานเลยชีวิตนี้ข้าพเจ้าที่ผ่านมาเอาเถอะข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะมอบชีวิต ที่เหลือไปจากนี้ไว้ในพระพุทธศาสนามอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มอบกายถวายชีวิตต่อสิ่งออหลักเหตุผลคือหลักธรรมคาสอนของพุทธสิ่งไหนอันดีสิ่งไหนที่ดีคิดดีทดําดีพูดดีเราจะมอบกายถวายชีวิตกับเรื่องนั้นๆกับเรื่องทางโลกข้ามาเจ้าข้าไปเจ้าไม่ขอข้องแวะ เพราะข้าพเจ้าคิดดีแล้วจึงได้ได้เข้ามาบวชและได้ตัดสินใจเพราะฉะนั้นถึงจะถอยหน้าภาวนาเป็นหรือไม่เป็นภาวนาอถอยหน้าถอยหลังยังไงก็ตามแต่ข้าพเจ้าในใจของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเดินหน้าเท่านั้นถ้าว่าพระลูกพระหลานมีความมั่นมีความตั้งใจอย่างนั้นนะอย่างที่หลวงพ่อพูด ถึงจะภาวนาไม่เป็นมันก็ถอยมาหาหลักแต่พออีกวันหนึ่งพอมันตั้งหลักตายมันก็สู้อีกต่อไปพอสู้ไปแล้วจงมามันต้องถอยหลังมาหาหลักจากนั้นก็สู้อีกต่อไปมันจะไม่ถอยตเตลิดเปิดเปิงถ้าหากว่าพวกเราไม่มีคําสัตย์อย่างนั้นนะอถ้าเรามีตั้งใจยุติทีแรกแต่พอเอาเข้าจริงๆมันถอยหลังมันถอยจน มันจ น, จนถึงข้ามคลองเลยมาอีกเพราะงั้นเพราะนั้นให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านน ะ, ะลูกหลานทุกองที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจให้มีความมให้มีสัจจะคือความจริงจังและจริงใจในตัวของพวกเราแต่นี้ถ้าว่าพวกเรามีสัจจะอย่างนั้นแล้วหลวงพ่อเองมั่นใจในการภาวนาในการปฏิบัติของพวกเราจะก้าวหน้าไปเรื่อยๆ คำว่าถอยหลังไม่มีแต่เพื่พวกเราจะคิดว่าโอ้มันถอยหลังข้าวไปเจ้าภาวนาเนี่ยมันอยู่กับที่ถอยหลังในความรู้สึกแต่เอาเถอะถ้าเราทบทวนดูให้ดีทบทวนนั่งดูให้ดีทบทวนเอาเถอะถึงข้าวไปเจ้าจะว่าถอยหลังก็เถอะแต่ในขณะนี้กับก่อนที่ข้าวไปเจ้าไม่ได้ภาวนา ก่อนที่เข้าไปเจ้าได้ไม่ได้ไม่ได้มาปฏิบัติหรือเข้าไปเจ้าบทใหม่ที่ว่าภาวนานะี่ยแต่มาถึงจุดนี้มันขาดทุนใช่ไหมมันขาดทุนย่อยยับใช่ไหมถ่านึกทบทวนดูหลวงพ่อมั่นใจเลยว่าพวกเราท่านทั้งหลายต้องได้กำไรแต่พวกเราอยากจะได้กำไรแบบกระโดดก้าวกระโดดท่านั้นเองมันก็เลยทุกทุกใจแต่เอาเถอะ การขวก้าวกระโดดคือเป็นบางครั้งตนเองแต่บางครั้งมันก็อยู่ตัวเหมือนกับเราค้าขายไม่ได้กําไรมากบางทีก็อยู่ตัวอยู่ทนบางทีก็เหนื่อยเมื่อยล้าบ้างขาดทุนไปบ้างนิดๆหน่นนอยๆแต่ถึงยังไงเรื่องศินและวินยัยเราต้องนาลงทรงไว้ให้ดีเรื่องวินยัยเรื่องศีลเนี่ยถึงยังไงอย่าหลงละเมิดเป็นเด็ดขาด ถาว่าพวกเราล่วงละเมิดในศินและวินยัยทั้งที่รู้รู้เราก็ล่วงละเมิดอ น, นันท์ถอยหลังอย่างมากนะพระลูกหลานนะพวกเราอย่าอย่า ก, ก่ำเกินอย่าล่วงเกินวินยัยอย่าล่วงเกินสินของอตัววเองถ้าว่าโง่ฉลาดยังไงภาวนาไม่เป็นยังไงเราก็ยังเชื่อมั่นในศินและวินัยของเราเนึกขึ้นมาแล้วอุ่นใจ พร้อมที่จะก้าวกระโดดต่อไปภายภาคหน้าได้เรื่องสมาธิถ้างศีลของเราดีและสมาธิของเรามันต้องไปด้วยกันในเมื่อสมาธิดีแล้วปัญญาก็จะต้องเกิดไปพร้อมกันอีกเหมือนกันนี่แหละให้พวกเราทุกองค์ที่เข้ามาบวชในพรรษานี้ผู้มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจก็หลายองค์ที่หลวงพ่อได้ยินว่าการผูดของผมไม่มีกําหนดแต่บางองค์ก็น่าเสียดาย พอเขามาบวดแล้วก็ถอยเข้าเกียร์ถอยว่างั้นนะเออ ท, ทั้งที่ทางหน้าทั้งที่มันจะก้าวหน้าไปได้พไดเพราะเหตุใดเพราะพวกเราบินต่ำเกินไปบินไม่สูงนะฮะจะโหลดบินต่ำเออทั้งที่มันจะขึ้นชูอวกาศหนีออกนอกโลกได้แต่เนบินขึ้นไปโลกดึงดูดนะ อก็เลยตกอไอยง่ายๆเพราะอะไรเพราะกิเลสราคะโทสะเี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องกิเลสราคะเนี่ยนะอแต่เมื่อก่อนทํามาบวชมองเห็นคู่เห็นคนหญิงชายใครๆก็ตามมองๆดูแล้วก็ธรรมดาธรรมดาแต่เข้ามาบวชเนี่ยมันกิเลสตัวนี้มันพอกพูนนะไม่ว่าจะเห็นคนเห็นหมาก็ยังว่าสวยงาม มันเป็นอย่างนั้นไปอีกนะเพราะนั้นพ่อยหอให้พวกเราลูกหลานทุกองนะให้ฟังเอาไว้ที่หลวงพ่อพูดเนี่ยจริงไหมแต่พอเราออกไปก็อย่างนั้นอย่างเก่านั่นแหละนะพอออกเข้ามาแล้วมันเป็นยังไงเพราะกิเลสภายในจิตใจของเรามันเสกสรรปั่นยอขึ้นมาอ่มันอุปโลกขึ้นมาอ่ในจิตในใจเพราะนั้นให้พวกเราทุกๆองค์ การที่จะภาวนาเราให้ภาวนากำหนดลมหายใจเข้าออกก็จริงภาวนาพุทธโธก็จริงขาขวาพุทขาสายโธก็จริงแต่อย่าลืมเราต้องเอาสิ่งที่ว่ามรณะนุสติแทรกเข้ามาด้วยมรณะนุชติคือระลึกถึงความตายของตอนเองเอยชีวิตของเราเนี่ยไม่ว่าไม่คิดว่า เราจะอยู่นานไปสักเท่าไหร่เราได้ทบทวนหน่อิอีกเราจะอยู่ไปนานสักเท่าไรข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะอยู่ไปนานสักเท่าไรเราเห็นไหมคนอื่นตายไปมากต่อมากแต่เราจะอยู่ไปสักเท่าไหร่ในเมื่อเห็นพิจารณาถึงมรณะนุจติไว้อย่างนี้จากน้องกับพิจารณาถึงอสุภะร่างกายสังขารร่างกายของเราเนี่ย ว่าตายลงไปเราก็เห็นในภาพในรูปที่เขาไปฝังไว้ขุดขึ้นมาความเน่าเปื่อยเป็นอสุภะปฏิกูลร่างกายของคนเราถ้ามีชีวิตอยู่ก็เสร็จสวยงดงามน่ารักใคร่ชอบใจน่ารักไม่ว่าหญิงชายแต่พอตายลงไปแล้วมีแต่อสุภะปฏิกูลมีแต่หนอนโยเยไปหมดไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าสัตว์ ต, ตัวไหน ไม่ว่าหมูหมากาไก่สร้างมา้าวัวควายสัปปสัตมนุษย์หญิงชายล้วนแล้วจะเป็นอสุภะปฏิกูลทั้งนั้นตัวของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราไปตายในป่าดงพงไปถ้าไม่มีใครเห็นหรือว่าตายแล้วไม่มีใครรู้ที่เราตายมันก็คงจะเหม็นเน่าอีกเหมือนกันมีตะนนอนมแมลงวันเต็มไปหมดทั้งมดทั้งสัตว์ทั้งหลายมาแทะมากินร่างกายของเรา ิงม้อันนี้เราก็พิจารณาทบทวนไว้อยู่เสมอเมื่อเราภาวนาพุทโธแล้วก็ตามกำหนดลมหายใจเขาออกก็ตามเราต้องคิดไว้เสมออาชุภะมรณะคล้ายๆว่าเบรกเป็นเครื่องเบรกทางด้านจิตใจของเราไม่ให้เตลิดเปิดเปลิงไม่ให้หลงในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส ไม่ให้หลงโลกหลงทางถ้าว่าพวกเราไม่คิดถึงมรณะหรือไม่คิดถึงอสุภะเนี่ยมันหลงได้ไง่ายๆนะพาลูกหลานนะเพราะนั่นต้องตัวนี้เป็นตัวเปลกทางด้านจิตใจของเราถึงจะภาวนากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกบางครั้งเราก็ตันกันกรองไตรตรองถึงอสุภะบ้างกันกรองไตรตรองถึงมรณะ อ, อ, อย่างที่เราไปเห็น ไปป่าชาติที่เราไปเห็นไปเผาศพของเขาอย่างนี้เป็นตน้น เ, เราก็ดูอีกสักวันหนึ่งข้าพเจ้าต้องเป็นอย่างเขาแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นถ้าว่าตายในศึกสงครามหรือตายไม่มีใครเก็บใคร อ, อันนั้นอีกอย่างหนึ่งตายเกลื่อนมันต้องมีสิ่งเหล่านั้นทั้งหลายทั้งปวงเราคาดไม่ได้เขาหวังไม่ได้เราเกิดมาในโลกนี้มาพร้อมที่จะเป็นอะไรได้ทุกอย่าง ชีวิตของเราเป็นอย่างนั้นไหมนี่แหละอันนี้ก็คือการพิจารณาทบทวนไม่ให้เราหลงในการเป็นอยู่ของพวกเราเกิดแก่เจ็บตายของเรามันอยู่ในทุกอริยาบทเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์หรือว่าครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านทั้งหลายจึงให้ภาวนาให้ดูตนเองอย่าลุ่มหลงมัวเมาจนเกินไป แต่ว่าเรื่องสมถะทำจิตใจให้สงบอันนี้เมื่อเรามีศีลศีลดีศีลของเราดีศีรษจารวัดของเราดีอยู่ในหลักพระธรรมวินัยคือศีลครูบาอาจารย์พาแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวในเราปฏิบัติตามถ้าเราสงสัยก็ถามครูบาอาจารย์ที่เป็นรุ่นพี่ของเราไม่ต้องเกรงใจเพราะเราเข้ามาศึกษาเข้ามาเพื่อเรียนเพื่อศึกษา จากนั้นเราก็ศึกษาในหนังสือในพระวินัยมีเรื่องวินัยเราก็ไม่ได้สอนกันเป็นจิตจากลักษณะเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะค้นคว้าศึกษาเพราะท้าฝ่ายในการศึกษาแล้วก็ต้องหาศึกษาหนังสือมาอ่านวินัยมุกเล่มหนึ่งเล่มสองเพื่อศึกษาว่าศีลและวินัยของเรานะ็คืออะไรเมื่อเรารู้แล้วเราก็ปฏิบัติตนเองเรื่องศีล น, นี่นะ เป็นเรื่องสรุปก็คือศีลมีกฎเกณฑ์มันหยาบแต่พร้อมเราที่จะพ้อม้อมที่จะศึกษาได้ไม่จําเป็นจะต้องมาอธิบายให้กันทุกวี่ทุกวันไม่ใช่เพียงเทวให้รักษาศีล น, นะให้อ่านนะให้ศึกษานะเพราะว่าทุกคนผมเองหลวงพ่อเองก็ไม่ใช่บอกครูบาอาจารย์จะแนะนําสั่งสอนเรื่องศีลทุกวี่ทุกวันไม่ใช่เราก็เอายิบหนังสือขึ้นมาวินมุกเล่มหนึ่งเล่มสอง เล่มนึงก็คือศินสองยยี่สิบของพระเราอ่านนวั ก, กวัฏซะก่อนพออ่านเสร็จแล้วก่นเราอ่านวินในมุกเล่มหนึ่งจากนั้นเราก็อ่านวิในมุกเล่มสองเรื่องกิ จ, จวัตรข้อวัดรอาคารทวัตอ่คือว่ากิจจวัตรที่พระควรปฏิบัติตนอย่างไรถ้าเราได้ยินแต่ครูบาอาจารย์บอกหมู่บอกกล่าวให้ฟังบางสิ่งบางอย่างเราเราก็สงสยัยแต่นี้เมื่อเราอ่านในพระไตรปิฎกอ่านใน พวินัยของพระแล้วเราก็มั่นใจว่าที่ครูบาอาจารย์พาประพฤติปฏิบัติมานี้คือมันอยู่ในหนังสืออยู่ในพระไตรปิฎกทุกอย่างแล้วที่ท่านนามาบอกกล่าวแนะนำพวกเราตัวของเราเราก็มั่นใจในการดำเนินชีวิตของเราหรือว่ารักษาศีลของเรานี่ยนะเรื่องศีลมันอ่านได้ศึกษาได้อ เพราะนั้นให้พวกเราให้ศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเก่ามองข้ามไม่ได้กฎสิทิ์น่เหมือนกับกฎหมายเราจะมองข้ามไม่ได้เรื่องกฎหมายพอเราลืมอ่านมันก็หลงลืมได้ง่ายแต่เราอ่านเราก็จะรู้จักกฎหมายไปยังไงกฎหมายอาญากฎหมายแพ่งกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายสิทธไหม มาตราที่เท่าไรทวิที่เท่าไรอต้ออนกฎหมายจริงๆคืออะไรลู่กฎหมายเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องเราก็ต้องศึกษาถ้าไม่ศึกษาก็ไม่รู้นี่ก็เหมือนการวินัยกัลักษณะอย่างนั้นแหละศึกษาวินัยคือศึกษากฎหมายกฎหมายก็คือวินัยกฎระเบียบการเป็นอยู่ของพระนะอันนี้ก็คือการการกา ร, การศึกษาของเราแต่นี้ ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านไม่เด็นเน้นหนักเรื่องเรื่องศีลเพราะทุกคนก็รู้ให้ศึกษามันอยู่ในหนังสือตำรับตำรามีอยู่แล้วแต่เรื่องสมาธิเนี่ยมันนอกเหนือจากตำราทนะูกหลานนะท่านพูดไว้เพียงเขาๆตนเองแต่พอปฏิบัติไปแล้วนเนาะชั้นเชิงเล่เหลี่ยม เ, เรียกว่า แนวความคิดทางด้านจิตใจมีมากมายเหลือเกินเลยนะเพราะฉนั้นพระกรรมฐานท่านจึงให้ความเคารพในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งเป็นพั้งพ่อทั้งแม่ด้วยทั้งครูบาอาจารย์ด้วยเพราะอะไรเรื่องสมาธินะั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเป็นเรื่องที่ลึกซึง้งถ้ า, าว่าไม่ได้ศึกษาจากครูบาอาจารย์แล้วจะรับศึกษาตามลําพังนี่หลงทิศหลงทางได้ง่ายๆถ้าจะศึกษาในพระไตรปิฎกในตำรับํารา บางสิ่งบางอย่างต ำ, ตำรับําราก็บอกได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้นเองจะถะบอกขณะจิตทิฏฐิคิด อ, อย่างนั้นก็ไม่ก็ไม่ได้อีก อ, อย่างไปในอภิธรรมของเราที่ท่านพูดเรื่องอจิตเจตสิกกุสลธรรมะกุสลาธรรมะอัพยากตาธรรมะกตเมิธรรมกุสลาอะไรลักษณะอย่างนี้คล้ายๆพันพูดเรื่องจิต จิตนึกคิดจิตเท่านั้นดวงจิตเท่านี้ดวงเราไปอ่านเท่าไหร่ยิ่งงงอีกทีไหนไม่รู้จะจับตัวไหนมาปฏิบัติแต่ถ้าว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านเคยผ่านมาแล้วเนี่ยท่านจะพูดให้ฟังเลยเสมถะต้องกำหนดอย่างนี้นะในเมื่อจิตมันเป็นอย่างนี้มันเป็นลักษณะ น, นั้นจะให้มันรวมอย่างนี้นะอย่าให้ส่งจิตออกไปนอกอย่างนั้นนะ ถ้าชงจิตออกไปนอกนั้นไปเห็นนิมิตนะหลงในนิมิตนะเป็นบ้าได้ง่ายๆนะสิ่งเหล่านี้ครูบาอาจารย์ที่ท่านผ่านมาแล้วเนะี่ยท่านจะแนะนำบอกกล่าวให้พวกเราเข้าใจในวิธีการทำสมาธิสมาธิมันมีอยู่สามขั้นนะคณิกาจิตรวมสงบชั่วคู่ชั่วขณะอุปจาระจิตที่สงบ แต่ไม่ใชสงบที่แนบหนึ่งคล้ายเข้ า, าขว่าสติควบคุมจิตจิตควบคุมสติสติควบคุมผู้ตัวผู้รู้ในอุปจาระอัปปนาสมาธิที่จิตรวมสงบนิ่งจนเลยการเป็นอยู่อั น, นี้ว่าจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิเมื่อจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิแล้ว จะรู้ได้ว่ากายกับใจใจกับกายเนี่ยจะเห็นได้ด้วยตนเองชัดเจนนะนะอันนี้ครูบาอาจารย์บอกทางให้ให้แล้วเนี่ยเราเดินเล่าปฏิบัติตามมันก็เป็นจริงอย่างนั้นจริงๆริงแท้เนี่ยเพราะนั้นเราจึงยอมเชื่อว่าเออครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติผ่านมาแล้วเนี่ยเออท่านรู้จริงเห็นจริงจริงจริงท่านจึงเลยนามาบอกกล่าวให้กับเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติตามนั้น ขั้นตอนต่อไปทํำยังไงอันนั้นเรื่องสมถะนะต่อไปเดินวิปัสสนานะถ้าว่าเราจะอยู่ในวิปัสสมถะอย่างเดียวมันก็อยู่ในสมถะคือติดอยู่ในความสงบอย่างเดียวจะไม่ไปถึงไหนนะต้องเดินวิปัสสนานะเดินวิปัสสนาก็คือวิปัสสนะคือความนึกคิดปรุงแต่งพิจารณาร่างกายของเรา แต่ถึงยังไงก็เถอะถึงจะปรุงแต่งได้ดูในร่างกายแต่จิตผ่านความสงบไปแล้วนั้นเหมือนกับสติสติมันควบคุมควบคุมจิตของเราให้ทำงานมันจะไม่ทะเลถไลายไปทางอื่นให้เข้าสติของเราควบคุมให้เดินเดินงานให้ทำงานอ่าถ้าเราสติสติของเราเหมือนถ้าเราไม่ได้ภาวนาจิตไม่สงบพอเรานึกคิดปรุงแต่ง มันก็จะไปเตรอนเปิดเปิงของมันอีกในมุมหนึ่งอีกเหมือนกันแต่เมื่อเราจิตที่เป็นสมาธิแล้วผ่านสมาธิแล้วจิตใจสติของเราควบคุมตัวผู้รู้ให้ทำงานเหมือนกับมีนายคุมคุมให้ให้คนทำงานลักษณะอย่างนั้นมีคนคุมมีคนดูแลอยู่งานชิ้นนั้นก็ออกมาได้ดีนี้ก็เหมือนกันสติของเรา ข่มจิตให้จิตพิจารณาเรื่องอะไรกัรกองเรื่องอะไรใจของเราก็พิจารณาเห็นตามเรื่องนั้ น, น, นเมื่อเห็นแล้วก็รนนะู้แจ้งเห็นจริง น, ะนี่แหละก็คืออันนี้คือวิปัสสนาอันนี้คือแนวทางทั้งสองอย่างสมถะและวิปัสสนาแต่จะได้มาพูดถึงเรื่องสมถะการที่จะทาจิตใจให้สงบมันมีมากมันมีมากหลากหลายเหลือเกิน กรรมฐานของพระพุทธเจ้ามีทั้ง40อย่างถ้าเราได้ศึกษาแนละ้วกรรมฐาน40ของพระพุทธเจ้าอย่างมากกว่านั้นไปอกีกไม่ใช่ว่ากรรมฐาน40กรรมฐาน40นั้นพูดพอประมาณเท่านั้นเองบางผีบางทีพระในครั้งพุทธกาลพอเดินไปเดินทุโรงไปจะมากราบพระพุทธเจ้าพอมานั่งอยู่ในร่มต้นไม้ พอนั่งอยู่ห้องโดยเห็นพยับแดดพยับแดดมันขยับยับยมันขยุบขยุบขยุบท่านมองพระยับแดดไม่มีตัว ต, ตนแต่มันก็มองเห็นเหมือนเป็นพยับแดดพระยับแดดนี่ก็ดูแล้วมันเป็นอเนจังไม่เที่ยงเหมือนกันสิ่งนั้นไม่สิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกถ้าก็ย้อนมาหาตัวผู้รู้คือใจของท่านสิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเรา จากนั้นเมื่อท่านพิจารณาพยับแดดตอนนี้น้อมมาหาตัวเองท่านก็ได้ตัดรู้ไล้บรรลุธรรมได้เป็นพระอรหันต์ก็มากต่อมากอีกเหมือนกันอบางทีท่านก็ไปนั่งอยู่ในริมน้ําพอเดินทางมาเหนื่อยก็นั่งพักมองดูน้ําเห็นคลื่นน้ํามันขึ้นเป็นเกลียวแล้วก็หมุนไปดับไปหมุนขึ้นเกลียวแล้วก็ดับไปบางทีก่อนเนี่ยพอเห็นท่านั้นก็ออตัวของเราความนึกคิดของเราเนี่ย มันเป็นอนนจังเป็นธรรมชาติของมันเห็นอนนจังสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นถุกเห็นเกี่ยวน้าเห็นคลื่นน้ำก็น้อมมาหาตัวเองท่านก็ได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลก็มีอีกบางทีท่านเห็นชายคาน้ำตกตกลงมาจากชายคาตกลงมามาถูกกระทบพื้นพอกระทบขึ้นขึ้นมามันก็เป็นฟองขึ้นมาพอฟองมาก็แตกับ แล้วกระจุม่มล้วก็ะเพนฟองขึ้นมากระแตกตับ๊บอันนี้ท่านก็เห็นอันนี้จังใครเขา้าใจของเราเนี่ถ้ามีอารมณ์ก็มากระทบใจใจของเราก็รับรู้พอรับรู้ก็นั่นนะบางทีก็เป็นอารมณ์ราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นในการกระทบสิ่งที่อื่นสิ่งที่อื่นที่มากระทบใจอันนี้เราก็เห็นอีกเหมือนกันสิ่งไหนที่มันมากระทบ เห็นไหมที่มากระทบใจของเราใจของเราเป็นสิ่งที่สิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งนั้นมีทุกไม่ใช่ตัวตนของเราถ้าก็ปล่อยวางลงที่ใจอีกนี่แหละอันนี้ก็คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าถ้าจะว่าไปแล้วมากกว่าสี่สิบอย่างอันนี้ผลวงพ่อยกมาพอเป็นประมาณเท่านั้นเองเ อ, อถ้าเราได้ศึกษาแล้วนะ อ, อบางทีท่านเห็นพระ กำหนดพระพุทธเจ้ากำหนดดอกบัวให้ดูแล้วก็ไปไปเพ่งดอกบัวที่หลวงพ่อเคยพูดได้กล่าวท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระรหันต์บางทีท่านได้ผ้ามาผ้าขาวมาพระองค์ว่าให้ลูบไปรูปมาลูบไปลูบมาผ้า น, นก็นสีดําคล้ำเข้าไปเห็นนั้นในจางทกขังหน้าตาท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระรหันต์ก็มีนี่แหละอันนี้คือสรุปแล้วก็คือที่จะได้สําเร็จมรรคผลนั้น เราพอสรุปได้ว่าเห็นไตรลักษ์ตัวไตรลักษ์เนี่ยนะที่จะเป็นเครื่องแก้กิเลส ท, ทางด้านจิตใจไม่ให้ลุ่มหลงมัวเมาเห็นอนไรจังคือของไม่เที่ยงอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าเราพิจารณาดูสิความตายนะคือไม่เที่ยงแนละ้วจากนั้นเอาสุภาษนณะ์สิ่งที่มันไม่เที่ยงร่างกายของเราของเขาของสรรพสัตว์ทั้งหลายสิ่งไหนไม่เที่ยงเป็นสุขและเป็นทุกข์สิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งไหนเป็นทุกเราจะยึดมาเป็นตัวตนของเราได้ไหมไม่ได้ต้องเป็นอนัตตานะีอันนี้ก็คือการพิจารณาในไตรลักษณ์อ น, นิจจงทุกขังอนัตตาอ น, นิจจงไม่มันไม่ใช่แต่ร่างกายมลนมันนนิจังถึงใจด้วยใจของเรานึกคิดปุงปุงนึกคิดนะใจของเราก็เป็นอ น, นิจจงของไม่เที่ยงอีกเหมือนกันนคิดทังนั้นคิดทางนี้คิดทางนี้คิ ด, ดนะแต่ละวันแต่ละเวลานี่แหละ สิ่งไหนที่มันเป็ น, เ ป, นเป็นอเนจังใจของเราเป็นอเนจังมันจะเป็นฉุกและเป็นทุกข์นะบางทีก็กลุ่มอกกลุ้มใหญ่ทุกข์จนพอแรงเหมือนกันเพราะว่าอเนจังเข้ามาสู่จิตใจของเรานะสิ่งไหนที่มันเป็นทุกข์ไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์นี่แหละให้พวกเราทุกๆท่านนะแต่เนี้เมื่ออันนี้คือภาพภาพรวมที่พวกเรามองดูที่พงพ่อชี้ให้ดูภาพรวม ในการเดินมักเดินผลแต่ให้พวกเราจะเจาะจงอย่างไรเนี่ยจุดนี้เลยพวกเราจะเจาะจงอย่างไรที่เราจะมาบวชทั้งสมเดือนเนี่ยหลวงพ่อเองบอกแล้วย้ำอีกว่าให้มีสตินะพาลูกพาหลานนะให้มีสติสัมปชัญญะให้มีสติอยู่กับตัวเองตั้งแต่เราก้าวเดินไปที่ไหนไหนก็ตามให้มีสติในการก้าวของเราเวลาก้าวเดินของเราให้ ขาขวาพุดธขาซ้ายโถให้เป็นสติอัตโนมัติไปเลยพอเราก้าวไปกับพุทโถไปเรื่อยเวลาเราเดิอนอยักงกรมข้าเดินทางใดยักงกรมอปนมือเสร็จแล้วเราขาขวาพุทธขาซ้ายโถพุทโถพุทโถพุท โ, โ, โถเดินจงกรมอันนี้ก็คือการเคลื่อนไหวของร่างกายให้อยู่ในไตรลักษณ์ให้เห็นให้มีสติสัมปชัญญะ ในการเคลื่อนไหวของร่างกายจากนั้นเมื่อเรานั่งภาวนาเรานั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วมือขวาทับมือซ้ายแล้วป น, น ม, มือขึ้นระหว่าง อ, อกไหว้ครูคือไหว้พระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์ก่อนเมื่อไหว้เสร็จแล้ว เ, เรียบร้อยแล้วนะเราก็บริกรรมหายใจเข้าพุทหายใจออกโท หายใจเข้าพุทหายใจออกพุทโทพุทธโถแต่ถ้าว่ามันจิตใจมันยังสวัดหน้าสวัสดหลังมันเผลอหลงไปเผลอไปมาอยู่ก็ให้บริกรรมพุทธโทให้ถียิบพุทโทพุทธโพุทธโพุทธโพุทธโทขณะที่ใจของเราเนื้อคิดเยสำทับข้จุดนั่นจำเนาะสำทับข้าจุดที่ตัวเนื้อคิดอยู่นั่นน่ะให้ถีเลยไม่ให้มันมีช่อง ช่องโบช่องว่างที่จะออกไปให้อยู่กับพุทโธ อ, อันนี้ก็คือการบริกรรมภาวน า, าแต่หลวงพ่อแนะนำอีกบอกว่ามันเผอช่วงไหนวะมันยักษลักษณะยมางไงมันเผยหลวงพ่อให้นับอย่างทีว่านะหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองสามสี่ห้าหกจนถึงร้อย แล้วให้กลับมานับหนึ่งใหม่ถ้ามันเผลออย่าไปนับต่อถ้ามันเผลอให้กลับมานับหนึ่งใหม่เผลอไม่ถึงยี่สิบก็สิบก็เถอะถ้ามันเผลอให้กลับมานับหนึ่งใหม่เราเราจะได้รู้ว่าการภาวนาของเราเนี่ยมันนับไม่ถึงไหนมันเผลอแล้วเนี่ยมันหลงลืมมันทำไมตั้งสติใหม่ให้เข้มแข็งอีกก็พุทโธพุทโธไปอีก เออบางคตทิขยับแข้งขยับตัวอีกลืมตาขึ้นมาอีกพอลืมตากำหนดลมหายใจเข้าพทุทโธพุทหายเข้าหนึ่งสองสามสี่นับดูเออเอาให้ถึงร้อยถ้านับถึงร้อยไดนะ้ถ้าไม่เปลิดแปลว่าใจของเราอยู่ในกับอยู่ในตัวของเราเกือบหนึ่งนาทีแล้วนะอ่าเพราะนั้นให้พวกเรานับ แต่พอมันจะเผลอมันจะเบอเบอร์ซะ ก, ก่อนนะมันคล้ายๆว่ามันมันเบอร์เบอร์ลืมๆปึบเบอร์เบอรนะ์พอเบอร์ขึ้นไปแล้วมันจะนับผิดแล้วนะหายใจเข้าออเป็นเลขคู่หายใจออกเป็นเลขคีนะอ่อทั้งทีเราหนึ่งเลขคี่สองเลขคู่สามเลขคี่สี่เลขคู่ห้าเลขคี่หกเลขคู่ไปเรื่อยนะแต่พอมันเผลอเข้ามาแหละ หายใจเข้าเป็นเลขสิบหายหายใจออกเป็นเลขนะ ส, สิบเอ็ดนะฮะสิบสิบเอ็ดไปเรื่อยแปลว่ามันเพลอะเราต้องกลับมานะ่ะตั้งต้นใหม่เนี่แหละวิธีการให้เรารูนะ้จากนั้นพอรับไม่พอเรานับไม่เพลอะ แ, แต่เออใช่สติของเราดีขึ้นแล้ววะ เ, เราก็หายใจเข้าบริกรรมพุทธหายใจออกบริกรรมโทพุทโทพุทโทพุทโ ท, โ ท, โ ท, โทนานๆแล้วก็ ทดสอบอีเออมันเพล่อไหมมันสติมันแข็งเข้มแข็ ง, ข ง, ขงดีไหมเออถ้ามันดี อ, อไปเรื่อยๆนะั่นนะ่ะจัดนี้เราก็พุทธโทรไปเรื่อยเยอจิตใจของเราต้องไม่ต้องคิดไปทางอื่นนะเดินยังกลมกับขาขวาพุทธขาซ้ายโทรคือเราตั้งสัจจกความจริงจังและจริงใจตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำบอกเราเออ เราจะต้องมอบกายถาวายชีวิตอย่างที่หลวงพ่อพูดเบื้องต้นนั่นนะเอาจริงเอาจังถ้าไม่จริงจังไม่ได้นะจะเป็นวิชาอาชีพไหนก็เถอะถ้าทำาะหล่อเลยแหละนะเจ๊งทั้งนั้นพูดอะไรอย่างนั้นเจ๊งถ้าว่าเราเอาจริงเอาจังนะอา่านั่นแหละเราจะต้องเห็นจริงเห็นจังเพราะหลักธรรมคาสอนของ พ, พระพุทธเจ้าธรรมคาสอนของ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราพาดําเนินมาแล้วท่านเห็นผลมาแล้วท่านจึงมาแนะนําสั่งสอนพระลูกหลานทั้งหลายเพราะฉะนั้นพวกเราพวกพระลูกหลานให้จริงจังและจริงใจสิ่งไหนที่มันออกนอกลูกนอกทางอย่าทำให้บริกรรมอย่างที่ว่าเมื่อเราใส่ใจจิตใจของเราไม่ส่งไปทางอื่นจิตใจเราใส่ใจ ในการประพฤติปฏิบัติผลแห่งการประพฤติปฏิบัติใจของเราจะเข้าสู่ความสงบจิตใจจะรวมเลยนะรวมสงบเน่งนี่แหละถึงจะรวมมันจะมันจะเราก็ต้องไม่คาดไม่ต้องคาดหวังนะเพ่อจะให้มันจิตใจรวมเราสร้างเหตุผลให้พอท่านเองในเมื่อเหตุผลมันพอแล้วมันสงบเองนะ เ, เหมือนกับเราตีกอ๊อบเขี่ยก๊อปลงหลุมอย่างนั้นนะ ถ้ามันเหตุผลมันพอเหมาะมันเขียมันตกเองถ้าว่าเราเออมันเหตุผลมันไม่เหมาะที่จะตกหลุมได้เขียร์ยังงมันก็ไม่ตกเพราะอะไรเพราะเหตุผลเออมันไม่แม่นมันไม่ตรงเออมันเสียดแต่เราเออเคลียให้เหมาะเจาะแล้วนะมันตกหลุมโดยมันลงได้เอง นี้ก็ลักษณะอย่างนั้นล่ะวิธีการทําสมาธินะ่ะพาโลกพาลานนะ่ะเหมือนกระเสียมเกียรลูกก๊อปลงหลุมลักษณะอย่างนั้นนะอแต่ที่ยังไงก็ต้องอพยายามเมื่อจิตใจสงบในจิตใจผ่านความสงบแล้วความมั่นใจในตัวเองเนี่ยจะทวีคูณเลยนะท่นนี่เพราะอะไรพอจิตใจผ่านความสงบแล้วมันทวีคูณในจิตใจในเมื่อจิตใจ ผ่านความสงบแล้วท่ t นนี่มันความหมัน่นความขยันมันมาเองนะท่านน่อยากจะนั่งภาวนาอยากจะเดินโยกลมอยากจะปฏิบัตินะเพราะว่าจิตใจเห็นผลในการทำความภาคเพียนของตัวเองจากนั้นเราก็พยายามทำจิตใจให้สงบเป็นพื้นฐานแต่มันสงบก็ให้มันสงบไปซะก่อนนะไม่ต้อง วิต ก, กังวลว่าวมันจะติดสมาธิเพราะเราก็รู้แก่ใจยอยู่แล้วว่าอันนี้คือสมาธิ เ, เมื่อเราอยู่ในสมาธิก็พยายามพยายามทำจิตใจให้สงบให้ผลแห่งการสมาธิเข้ายังไงถอนยังไงเดินยังไงเดินสมาธิทำจิตใจให้สงบยังไงอย่างนี้นะใครให้ใครวาให้เราให้เราดู การเข้าออกของสมาธิที่จิตใจเข้าสู่ความสงบมันเข้ายัางไงโดยมากการเข้าสมาธินี่มันจะไม่ได้คิดมุ่งหวังนะเพียงแต่เอาเหตุผลสร้างหลักเหตุผลให้เพียงพออย่างที่ว่าตีก๊อปลักษณะอย่างนั้นถ้าเรามีเหตุผลตีก๊อปตีมีเหตุผลแล้วมันลงล็อกเองนี้ก็เหมือนกันเราไม่ต้องมุ่งหวัง แต่มีความตั้งใจตนเองให้มีสติอยู่กับตนเองอย่าให้มันเพลิมันสงบแลอไม่สงบเราไม่ต้องคิดแต่ว่าสติกับจิตของเราไม่ ห, ห่างกันไม่เพลอแค่นั้จากนั้นเมื่อจิตผ่านความสงบเป็นคณิกาอุปจาระอปปนาจิตใจผ่านความสงบเป็นหนึ่งแล้วไงจิตเป็นอันหนึ่งจิตอันใดสติเป็ น, นันนั้น จิตเป็นอนใดจิตเป็นนั้นนะจิตกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจากนั้นเราอยู่ได้นานไหมบางคนก็อยู่ได้นานนะอผ ล, ลาญผลาญนะเรื่องสมาธิอัปปนานแต่เราก็มั่นใจนะเอมั่นใจเชื่อมั่นเชื่อมั่นในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอีกต่างหากว่าตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วสูญใช่แต่ก่อนเราก็สงสัยแต่เมื่อใจของเราผ่านความสงบแล้วเนี่ยเรารู้ชัดด้วยตนเองเลยว่า กายกับใจใจกับกายนี่ยมันเป็นคนละอ่านกันแต่มันอาศัยกันใจอาศัยร่างกายร่างกายเนี่ยเป็นเรือนร่างแต่จิตใจเนี่ยอเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของของร่างกายนี้แต่ว่าจิตใจเนี่ยหลงหลงติดติดหลงว่าร่างกายเนี่ยเป็นตัวตนจริงจริงจนแยกไม่ออก แต่ตามมาจริงถ้าไม่ได้ศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะแยกไม่ออกเลยกลายกับใจแต่เมื่อเรานั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบแล้วเราจะแยกออกเลยใจกับกายกายกับใจแยกออกได้ชัดเจนเห็นได้ชัดเลยร่างกายนะเหมือนกับรถอย่างที่หลวงพ่อพูดเปรียบเทียบแล้วเปรียบเทียบอีกอจิตใจเหมือนกับคนกับรถนี่แหละเห็นได้ชัด แต่ในตอนนี้เมื่อจิตใจผ่านความสงบอย่างที่ว่าเห็นได้ชัดนั่นแหละใจของเราเนี่ยนำมาพิจารณาร่างกายถึงจะเห็นอย่างนั้นก็เถนะิะเห็นด้วยสมาธิเนี่ยมันไม่มันไม่เบื่อหน่ายนะาาาบางทีมันพอเห็นแล้วก็สงบขึ้นม า, าแล้วก็มีความสุขแล้วก็หลงในร่างกายหนะลงในการเป็นอยู่อีกเพื่ออะไรเพราะมันเห็นด้วยสมาธิมันไม่ได้เห็นด้วยปัญญาคือปัญญานี่คือ ใช้สติใช้ปัญญาคือการกลันกรองเอานำมาคิดมาคิดมาคน้นดูร่างกายของเราเนะี่มีอะไรบ้างพอในสุดร่างกายของเราจุดจบของร่างกายนะคืออะไรทองทุกคนเอาเถอะเมื่อไม่เห็นตัวข้าไปเจ้าก็เห็นคนอื่นคนอื่นเขาเป็นยังไงเมื่ออายุเขามากเขาแก่เข้าไปเป็นยังไงเมื่อเห็นเขาแก่แล้วนะ่ ผลในสุดเขาก็ถึงจุดจบของเขามากตัวมากที่เราเห็นเราจะเป็นอย่างนั้นบ้างไหมถ้าเราจิตใจเราผ่านสมาธิแล้วมันยอมรับทันทีตายเราก็อีกสักวันหนึ่งแน่นอนต้องเป็นอย่างเขาเราก็เขาไม่แพ้กันคือเดินไปแนวแถวสายเดียวกันความตายแก่เจ็บตายสายเดียวกันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันเรื่องความแก่เจ็บตายนี่ย เพียงแต่ว่าความเจ็บปวดเอออาจจะแตกแตกต่างกันบ้างแต่พอถึงยังไงถึงจุดจบของร่างกายแล้วเหมือนกันพอตายไปแล้วก็น้าเปยืยเน่าเปื่อยไปเผาฝไฟทิ้งเหมือนกันไม่เป็นอย่างอื่นทีนี้มาพิจารณาถึงของเขาของเราเปรียบเทียบดูเขาเราแล้วนะอันนี้คือวิปัสสนาแล้วนะท่านี่ถ้ายังไม่เห็นอีกก็ยังใช่พิจารณาแยกแยะร่างกายอีกท่านี่ แยกแก้ร่างกายของตนเองเกสาผมโรมาขนนัค า, าเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกแยกกระดูกแยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกายอีกทีไหอให้ถลกหนังออกถลกเอาเนื้อออกยังเหลือตะกระดูกโครงกระดูกเราเห็นโครงกระดูกที่ไหนนำน้อมมาเปรียบเทียบว่าร่างกายของเราเราเป็นโครงกระดูกอย่างนี้ใช่ไหม ถ้าเราจิตใจของเราผ่านความสงบมาแล้วนะมันจะยอมรับทันทีเลยไม่เป็นอย่างอื่นร่างกายของเราเป็นมีโครงกระดูกเป็นอสุภะปฏิกูลอีกสักวันหนึ่งนอนทับถมแผ่นดินตายสลายลงสู่ดินน้ำลมไฟนี่แหละขนาดร่างกายสังขารของเรายัางไม่ใช่ตัวตนของเราเราจะลุ่มหลงมัวเมาอะไรอีกละ่ะใจเราจะทะเยอทะยานอะไรอีกใจ เราอยากจะหาความสุขอะไรอีกมีไหมใจความสุขในโลกนันคืออะไรใจท่นี้มันมาย้อนถึงตัวผู้รู้คือใจพอใจของเราเห็นอนทึกอสุภะปฏิกูลเห็นอนนี้จังทุกขังอนัตตาเห็นเกิดแก่เจ็บตายในตัวของอินอันนี้จังไม่เถียงทุกขังเป็นทุกอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราขนาดร่างกายสังขารยังไม่ใช่ตัวตนของเราเราจะไปยึดอะไรอีกล่ะใจ อ, อย่าไปยึดความสวยความงามความล่ำความรวยมั่งมีสีสุขถ้าเยอทะยานอยากจะให้เป็นอยากจะเอามาเป็นของตัวของตนอย่างนั้นใช่ไหมใจนี่แหละเมื่อเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอย่าง น, นมันย้อนมาหาตัวผู้รู้แทนี่มันไม่ไปไหนแต่นี่ใจของเราก็เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงผู้รู้แจ้งเห็นจริงเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายคลายตามหลัก ทำคำสอนไม่ปล่อยวางก็ต hmm. ้องปล่อยวางจะไปยึดมั่นทำไมมันก็ว่างนี่ไอไปยึดลมยึดแรงทำไมใจของเราถึงจะถึงจะมันไม่ว่างกว่าจริงอยู่แต่มันไม่ใช่ตัวตนของเราจะไปยึดมันได้อย่างไรมันก็ว่างสิปล่อยวางว่างทั้งหมดมันไม่ใช่ของเราเราจะไปยึดทำไมมันว่างมันว่างร่างกายก็ว่างเพราะมันไม่ใช่ของเราโลกอันนี้ก็ว่างเพราะมันไม่ใช่ของเรา ทำใจให้ว่างเปล่าวางว่างแต่เมื่อมันวางว่างเสร็จแล้วเราก็ดูใจของเราอีกมันว่างด้วยความเห็นเรื่องมันว่างดยความปล่อยวางว่างด้วยความหลุดพ้นในเมื่อมันว่างในตัวของเราเรายังไม่วางตัวของเรามันก็ยังมันก็ยังไม่ว่างเต็มที่อีกเหมือนกันถ้าวาง มองมองดูตนเองนะมองดูตัวของเราอย่างไม่ใช่ตัวของเราอีกนะปล่อยวางกระทั่งใจตัวรู้สึกนึกคิดตัวนี้อีกปล่อยวาง ต, ตัวผู้รนะู้นั่นแหะธรรมะทำคำสอนของพุทธะทำคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านให้ภาวนาให้ปฏิบัตนะิมันไม่ไปไหนสรุปแล้วก็คือมาหาตัวผู้รู้คือใจ เรื่องจะพูดไปที่ไหนวกว้างไกว้างไกลขนาดไหนก็เถอะอันนั้นคือเป็นโวหารและวิธีการภาวนาวิธีการประพฤติธปฏิบัติแต่เอาถ้าเอาเข้าจริงๆแล้วมันยดย่อเข้ามามันเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจนี่แหละตัวหลักใหญ่ตัวนี้อย่าไปห น, นีจากนี้นะแต่ถือมาหลักใจก็เถอะต้องเห็นให้เห็นเป็นอเนจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุก อนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเรามันอยู่ในจิตใจปล่อยวางที่ใจใจมันของเรามันไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเห็นไตรลักษณ์ในอนัตตาในตัวของเราเนี่นแะเมื่อเห็นอนัตตาเท่นั้นก็นกปล่อยวางที่จุที่ตัวผู้รู้คือใจนัน่นแหะมรรคผลนิพพานมันมันอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่เนี่ยตัวเนี้ยตัวปล่อยวางตัวที่ตัวแจ้งเห็นจริงเนี่นกิเลสราคะโทสะโมหะอ่า กระเด็นกระดอนไปหมดเพราะเราไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วปล่อยวางแล้วเป็นเห็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาแล้วเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆกท่านนะพาลูกพราหลานทุกองในพรรษาในะอย่างน้อยก็ให้ได้รับความสงบทางด้านจิตใจให้ภาวนาให้ได้รับความสงบถ้าเราไม่จริงจังเราจะไม่ได้ริ้มรถนะจะไม่ได้ริ้มรถ คำว่านัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเราจะไม่ได้ริ้มรถแต่ถ้าว่าเรามีความจริงจังและจริงใจอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้พวกลูกหลานฟังให้ใส่ใจเดินก้าวไปที่ไหนภาวนาให้ภ า, า, า, า, า, าวนาพุทโธเป็นหลักเจ็ดพุทโธถึงยังไงขอย้าอีกว่ามาอยู่กับหลวงพ่อให้ภาวนาพุทโธเท่านั้น เพ่งอย่างอื่นเพ่งอย่างนั้นเพ่งกระสีอย่างนเพ่งกระสีอย่างนี้นนยุบ น, น้อยพองน้อให้ทิ้งไว้ก่อนให้ปฏิบัติตามที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวถ้าพวกเรามันเสียเวลาก็ไม่เสียมากเพียงสามเดือนอพวกเราจะได้กําไรในชีวิตตลวงพ่อมั่นใจอย่างนั้นจึงสอนลูกหลานๆพ่อพ่ อ, พอแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นท่านสอนแล้วพวกเราจะไปดื้อด้านเก่งกว่าครู ครูบาอาจารย์ได้ยังไงเพราะฉนั้นมาศึกษาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้พวกเราประพฤติปฏิบัติตามที่หลวงพ่อพูดกล่าวถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นหลวงพ่อก็จะได้ชี้นาชี้แนะตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อได้ศึกษามาแต่ว่าพวกเราท่านทั้งหลายใช้อย่างอื่นเพ่งออกข้างนอกเพ่งไปทางนิมิต เห็นสวรรค์ชั้นฟ้าชั้นพรมเพ้อเพอเป็นบ้าได้ไง่ายๆแต่พอเป็นบ้าขึ้นมาแล้วจะทำยังไงเพราะว่าเข้ามาอยู่ศึกษากับหลวงพ่อแต่ว่าไม่เอาแนวแถวที่หลวงพ่อแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวปฏิบัติตามอย่างที่ตัวเองชอบอย่างตัวเองอยากจะทำหรือเคยทำมาก่อนในเมื่อมันเป็นอะไรเกิดขึ้นจะทำยังไงจะตาหนิหลวงพ่อนะ ก็ม่เต็มที่เหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะหลวงพ่อไม่ได้แนะนำสั่งสอนอย่างนั้นแต่ว่าปฏิบัติตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อมั่นใจว่าพวกเราจะไม่หลงทางและพร้อมที่จะประพฤติปฏิบัตออิอย่างนั้นก็ได้รับความสงบคันดิกาอุปจาระอัปปนาสมาธิจะเห็นได้จะรู้ได้กับพวกเราท่านทั้งหลาย พรงของให้พวกเราทุกๆท่านนะเข้ามาบวชในคราวนี้ครั้งในี้ให้ตั้งอกตั้งใจให้จริงจังและจริงใจอย่างที่หลวงพ่อได้พูดถ้ามั่นใจในตัวเองนั่นนะตั้งจิตอธิษฐานเลยเข้าไปเจ้ามอบกายถวายชีวิตชีวิตนี้ทั้งชีวิตขอมอบกายถวายต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มอบกายถวายชีวิตต่อหลักเหตุผลคือความถูกต้องคือความเป็นธรรมในชีวิตนี้สิ่งไหนที่ไม่เป็นธรรมสิ่งไหนที่ไม่ถูกต้องข้าไปเจ้าจะไม่เดิน ในพบี้ชาตินี้เอาเถอะข้าพเจ้าได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวที่ท่านอบรมมาพวกเราเชื่อมั่นแล้วก็ยึดตามแนวแถวนี้ทั้งชีวิตนั่นแหะให้พวกเรามั่นใจยอย่างที่หลวงพอ่อได้พูดเลกล่าวการประพฤติปฏิบัติของพวกเราก็จะเห็นผล ขึ้นมาด้วยความตั้งใจด้วยความใส่ใจโดยการประพฤติปฏิบัติของพวกเราเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆูกทานนะมาการมาบวชข่านี่ครั้งนี้หลวงพ่อย้ําแล้วเตือนอีกอย่าไปคุกครีกันเกินไปเดือนแรกกระทำท่าปเป็นจริงเป็นจังพอเดือนที่สองละแหล่ลเข้ามาพอเดินที่สามหลกเลขโลเลเหลวไหล อ, อย่างได้มี ต้องให้คงเส้นคงวาตลอดเรามาประพฤติธปฏิบัติเรามาเพื่อศึกษาเราไม่ได้มาเพื่ออย่างอื่นมาสู่วัดนี้อาหารการบริโภคของเราก็ไม่เหมือนเป็นคราวัตญาติโยมทานก็ทานอาหารมื้อเดียวอยู่ก็อยู่ในป่านรงพงไพ่อยู่ตามลําพังอีกต่างหากชีวิตของเราก็อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายเห็นไม่ใช่ชีวิตแบบสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาเพราะนั้นการ พบค้าสมาคมก็เป็นบางครัง้งบางการพูดคุยกันแต่อย่าให้มันเกินไปถ้าเกินไปแล้วก็ทะเลาะวิวาทกันได้ง่ายๆต่างคนต่างองค์ต่างภาวนาของใครของเรานั่นแหละมรรคผลนิพพานมันอยู่กับพวกเราแต่ว่าพวกเราเห็นหมู่พวกเพื่อนภาวนาตัวเองขี้เกียจภาวนาก็จะไปล้อเล่นพูดเยาะเยาะแยแยไม่ได้นะ เป็นบาปเป็นกรรมอีกต่างหากถ้าผู้ใดภาวนาก็อนุมโมทนาเอาตั้งใจภาวนาหมู่พกเพื่อนนะมักผลนิพพานถ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบชอบแล้วมักผลนิพพานรอพวกเราอยู่ในข้างหน้ า, าถ้าพวกเราทำตัวไม่ดีเกเรแล้วนระกคอยเราอยู่นะเราต้องคิดอย่างัต เพราะนั้นนรกกับสวรรค์คอยเราอยู่ทั้งสองข้างเหมือนกันะถ้าทําชั่วนรกคอยเราถ้าทําดีสวรรค์คอยเรานิพพานคอยเราเพราะนั้นเราจะไปทางไหนควรจะไปในทางที่ดีในทางที่ถูกต้องในหลักธรรมคาสอนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดาเนินนั่นแหะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองหมีแต่ความร่มเย็นผาสุขอันนี้คือที่เป็นนักพจนักบวช ผู้ที่ดำรงรงสารศาสนาต่อไปในอนาคตนะแต่ผู้ที่เข้ามาบวชเป็นขัตการแล้วว่าเป็นบวชชั่วคราวเราก็รูกแก้แก่ใจเราจะบวชมีการมีงานอยู่เข้ามาบวชอันนี้กันทำตัวให้เป็นพระที่ดีสิ่งไหนที่มันไม่ดีเราอย่าทำถ้าทำออกไปแล้วเรา ศึกษาลาเพศไปแลเราไม่พามไม่ภูมิใจเลยในการบวชของเราเพราะเราทําสิ่งที่ไม่ควรทําสิ่งชั่วเสียหายเราก็ทําแต่ถ้าว่าพวกเราแอปฏิบัติปุ๊บประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมวินยัยแอบเมื่อเราจะศึกษาลาเพศไปแล้วก็ตามเราก็ยังภาคภูมิใจว่าสมัยเมื่อเราบวชถึงยังไงเราก็เป็นผู้มุ่งมั่นตั้งใจ ศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะไม่ได้ขาดตกบกพร่องเลยเชีวิตนักพรตนักปวดของเรานึกขึ้นมากับภา ค, ภ, าคภูมิใจตลอดนานเท่านานนะพาลูกพาลานนะการพูดและการแนะแนวในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอหยุดติเอาต่อ น, นี้ไปนั่งสมาธิสักหน่อยแล้วจะค่อยเลิกกันนะพวกเรานะ